อตอนนี้ไปญาติยมทั้งหลายพักกันสงบจิตใจฟังธรรมเอามือวางไว้ตักแล้วก็หลับตาสำรวมใจดึงใจของเรามาไว้ที่ที่สองขอนั้นเป็นที่หมายก็ฟังอยู่ในใจถ้าผู้ใดทําได้อย่างนี้ประโยชน์จะเกิดบางคนจิตสงบพับเป็นสมาธิได้เลยอย่างนี้เรียกว่าเราฟัง <c oughs> ด้วยความตั้งใจ ดูตัวอย่างในครั้งพุทธการที่พุทธเจ้าทรงแสดงธรรมแก่ประชาชนทั้งหลายพอพระองค์แสดงแล้วผู้ที่ฟังได้ดวงตาเห็นธรรมดวงตาเห็นธรรมไม่เกิดขึ้นอะสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นทั้งปวงมีความดับเป็นธรรมดามีความเห็นปรากฏขึ้นในจิตอย่างนั้นเรียกว่าดวงตาเห็นธรรมทาไมจึงเกิดอย่างนั้น ที่มันเกิดอย่างนั้นก็เพราะว่าผู้ที่ฟังนั้นเขาตั้งจิตจังที่ไหวฟังตั้งจิตดูจิตตัวเองนะี่ไม่ต้องส่งใจไปที่อื่นเลยสงบอยู่ที่จิตเนะี่ยรักษาจิตไว้อย่างเดียวธรรมะทางหลายก็จะเข้าไปตรงนั้นธรรมะที่เราจะพึงได้ก็อันดับแรกอยูความสงบของจิตบางคนในจิตวุบลงสู่สมาธิได้เมื่อวุบลงสมาธิแล้วมันถอนขึ้นมาแล้วก็ปัญญาก็เกิด ที่วันดวงตาให้ทําเป็นอย่างนั้นดังนั้นพวกเราก็ให้พากันตั้งใจไว้อย่างนั้นให้เป็นกุศลภายในเรียกว่าฟังเทศให้ได้กุศลหรือได้บุญวันนี้ท่านทั้งหลายก็มาตั้งออกตั้งใจที่ฟังธรรมว่านักเทศทั้งหลายท่านกรรมเทศท่านฟังเป็นประจำที่วันนี้เป็นมาระของอัตมาที่มาเทศใก่อนที่ท่านทั้งหลายพากันมารวมกันใ น, นสถานที่นี้เรียกว่า มาทำบุญหรือมาเอาบุญหรือมาสร้างบุญก็ได้โดยมาปารบเพื่อมาบูชามหาเจดีย์ที่อาจารย์ทูนท่านได้สร้างขึ้นมีอาจาย์คนทั้งหลายช่วยกันากกมาได้จากก็มีผู้ที่มาไหว้จากก็มาแสดงความกรบุนนบนมบูชาพระเจดีย์กฐาเดีกว่าพระธาตุอันนี้ก็เลย ใส่ชื่อพร้อมสถานที่เราหวังมาหามาหาธาตุเจดีย์ใส่ลงไปทำไม จ, งจึงเรียกอย่างนั้นเราต้องทําความเข้าใจด้วยแต่ว่ามาหาธาตุเจดีย์ความจริงอ่ะเราเรียกพระธาตุนั้นเป็นของพระพุทธเจ้า เ, าเรียกว่าสะเลนิกาธาตุคือธาตุของพระพุทธเจ้าความจริงอ่ะพระธาตุก็คือกระดูกนั่นแหละ เม่นช่อื่นกายสมมติกระดูกระดูกพวกเราแต่ว่าเป็นของผู้เจ้ามันเป็นมันไม่ใช่เป็นกระดูกธรรมดามันเป็นแก้วนี่ปัญหาเนี้ยว่าทําไมกระดูกของผู้เจ้าจิ้นเป็นแก้วอย่างนั้นแม้แต่มาสมัยนี้ครูบาอาจารย์ของเราก็ยังกระดูกท่านก็เป็นแก้วอย่างหลวงปู่มั่นกระดูกของท่านก็เป็นแก้วหลวงปู่ขาว กระดูกของเขาก็เป็นอีกมัอนกันทำไมเป็นเป็นอย่างนั้นมีปัญหาที่พวกเราจะต้องติดต้องพิจารณาไม่ใช่เราเห็นว่าเป็นพระธาตอย่างนั้นก็เรื้มใส่นับถือถ้าเราไปหาเหตุขึ้นมาบังแล้วนเรียกว่าเราก็ไม่มีปัญญาเขาว่าอย่างไหนเราก็ว่าอย่างนั้นเขาว่าให้เรากราบเราว่าอย่างนั้นก็กบว่าอย่างนั้นเราไม่เข้าใจจะไปลบถึงความเป็นมาของพุทธเจ้าซะก่อนถ้าพุทธเจ้านั้นครั้งแรกไม่เรียกว่าพุทธเจ้า พระ อ, องค์ชื่อว่าสิตทัตถาราชกุมารเป็นราชกุมารเป็นโอรสของพระเจ้าสุธโธธนะกับพระนางศิลมาหายามายาก็เป็นผู้ชายมีเมียมีลูกเหมือนกับญาติโยมทั้งหลายที่มีผัว ม, มีเมียกันนี่นะและ้วก็มีลูกด้วยเป็นสิตทัตถาราชกุมารในขณะที่คลองคลาวาทยรุนพระ อ, องค์ก็ อยู่ดีมีสุกมีแต่คนประพฤติปฏิบัติมีทุกคนบำบอลงทั้งนั้นแต่ว่าพระ อ, องค์ก็ยังอยู่ในท่ามกลางแห่งความแก่ความเจ็บความตายท่านก็มองเห็นคนแก่เห็นคนเจ็บไข้ด้วยเห็นคนตายคนตายที่ก่อนที่พระองค์จะเอาบุตรตามพุทธบวชพระ อ, องค์ไปประพาสสวนสยามไปเห็นคนแก่เห็นกดคนเจ็บไข้ป่วยเห็นคนตายไอ้ความจริงนะมันเห็นทั่วไปไม่ต้องไปเที่ยวที่ไห น, นก็เห็นเลยนะ มีคนแก่คนเจ็บคนตายแล้วกัพระ อ, องค์นะเป็นเหตุอเป็นเหตุให้พร อ, องคนะ่อยเกิดสลดสังเวชใหญ่เห็นคนอื่นเข้าแก่แล้วพระ อ, องคก็มาคิดเอ๊ะเรามันก็จะแก่เหมือนกันดีวะแล้วใครจะไปเห็นคนตายอีกเอาเห็นคนเจ็บไข้ติดป่วยอีกก็มาคิดถึงเอ๊ะเราก็จะเจ็บไข้ติดป่วยเหมือนคนถ้าตายก็เห็นคนตาย ก, ก็มาเอ้ะเราก็จะต้องตายอย่างนี้เหมือนกันพระ อ, องก็มาคิดว่าเอ้ะที่จะไม่แก่ ที่จะไม่เจ็บไข้ตัวไว้ที่จะไม่ตายแล้วมันมีไหมพระองค์ก็ตั้งปัญหาขึ้นมาถามตัวเองไว้แต่พระองค์ก็ตอบไม่ได้ว่าจะแก้ความแก่ความเจ็บไข้ตัวความตายนั้นอย่างใดนั่งคิดนอนคิดอย่างไรเมื่อคิดไม่ออกอาการสุดท้ายว่าท่านไปเสี่ยวสนทยานไปเห็นสมณะเห็นนักบวชกำลังนั่งสมาธิภาวนาว่าท่านกำคิดแหมธสรมะนี้ท่านอยู่ที่สงบอยู่คนเดียวไม่เขียวข้องกับใครท่านอาจจะได้ใช้วิชาความรู้คิดลึกตุ้แต่ง ในปัญญาเราควรจะเอาเยี่ยงอย่างของสมนานนี้ออกบวชเป็นสมะนาะอย่างนี้จะได้มีโอกาสมีเวลาได้คิดในขณะนี้เราอยู่ของคาราวะอยู่มีแต่เรื่องห่วงห่วงเมียห่วงลูกห่วงบริวารทุกอย่างไม่มีโอกาสมีเวลาที่จะใช้ความคิดเลยของที่ตัดสินใจออกบวชอ้ น, นี้เริ่มสิทธิฐาราช ก, กุมารออกบวชก็เพราะปาลบเหงาอันนี้ถ้าหนึ่นคนแก่คนเก่งก็ได้ แต่พ่อองค์มีความคิดสําหรับพวกเราก็เห็นความแก่เขาเกจ็บคววนตายแตพ่พวกเราไม่มีความคิดอย่างนัง้นทั้งทั้งที่สอนให้เราสวดแก่เป็นธรรมดาเจ็บไข้ธรรมดาตายธรมธรมดาเห็นแต่แก่ธรรมดาเห็นที่เจ็บไข้ธรรมดาเห็นตายธรรมดาแต่เราไม่รู้เห็นสิ่งที่มันไม่แก่สิ่งที่มันไม่เจ็บไข้ตัวสิ่งที่มันไม่ตายนล้วมีไหมพวกเรายังไม่เห็น ที่ทัฐาลัทธจะกล ม, มาที่ออกบวชพระองค์ก็ยังไม่เห็นจึงเสียสาราชสมบุญหมัดออกบวชเพื่อจะสแสวงห า, ายวิธีที่จะแก้ความแก่ความเจ็บตายนะท่านได้อันดับแรกพระองค์ออกบวชแล้วก็ยังสงสัยว่าบุคคลที่เขาเคารพนับถือมีอยู่มากเขาอาจจะมีวิธีรู้จึงไปศึกษาในลทัทธิของอาราดาดาบทอุนราดาบททั้งสองท่านไปเรียนในสัมนักนะั้นไปเรียนในข้นการู้เหมือนกันรู้ตามวิชา ของอาจารย์เราเนั้นแต่พระ อ, องค์ก็รู้ขึ้นออกนี่มันไม่ใช่ไม่ใช่ทางไม่ใช่ทางที่จะพ้นจากความแก่เจ็บตายเลยยังจะต้องแก่เจ็บตายอยู่นั่นแหละหลันจากหนีจากสำหนังออกไปแสวงหาอุบายวิธีด้วยตั ว, ตวเองถึงขนาดไปทําทุกข์กิจยาทาไปทํามาผลสุดท้ายพระ อ, องค์ก็ตกลงใจบอกว่าวการที่จะทำให้พ้นจากทุกข์จากลำบากอย่างนี้ต้องบําเพ็ญเพียรทางใจเท่านั้นแล้วพระ อ, องค์ก็ยังนึกถึงอุบายวิธี ที่พระ อ, องค์เคยได้กระทำไว้ตอนที่เป็นราชกุมารพระราชนีดาไปแรกหน้าขวัญแล้วนําพระองค์ไปด้วยตอนนั้นพระ อ, องค์ก็ไปพักที่ร่มไม้ที่ที่เลี้ยงนางนมเขากั้นสถานที่ไว้นั้นเลี้ยงนางนมก็ไปดูวิธีแปะหน้าขวัญก็ปล่อยให้พระ อ, องค์อยู่คนเดียวพระ อ, องค์ก็ขัดสมาธินั่งเขากําหนดลมหายใจสอง นั่งภาวนากำหนด ล, ลมหายใจเข้าออกเขาก็นผูกใจไว้ในลมหายใจก็ออกเกิปฏิหารขึ้นมาล่มไหมซึ่งมันเป็นเวลาบ่ายแล้วแทนที่เงาไหมนะมันจะสายไปตามแสงพอาทิตย์เงาไหมนะัม้นเปรี่ยงตรงเหมือนกับตะวันตรงหัวเหมือนกับเที่ยงวันจริงนะยึงเป็นเหตุให้ ที่เลี้ยงนางลมแล้วตรอดถึงพระราชบิดาเกิดอาศัยจับพระเจ้าจูาโธท่านนั้นถึงกราบลูกชายตัวเองท่องกำมานึกถึงอุบายวิธีนั่น อ, อ่ออุบายวิธีนั้นนั้นที่เราเคยได้ของจะเป็นอุบายวิธีสําหรับที่จะภาวนาให้รู้จักอุบายวิธีสําหรับที่แก้ความแก่เสีบตายได้อยางนั้นพระ อ, องค์ก็ไปหาสถานที่ดีสถานที่ก็ไปได้ที่ต้นสีมหาโพธิขณะนี้ที่ประเทศดีๆที่เรียกว่าพุทธกายตะ ว, วันนี้ ต้นสีมหาพ่อยังมีเครื่องหมายอยู่แต่ว่ามันเป็นต้นหลายต้นมาแล้วมีแต่ต้นน้อยๆเขาปลูกต่อแล้วแต่ก็ถือว่าพระพุทธจิตถาราชกุมาร น, นั่งภาวนาที่ต้นสีมหาพ่อกระไรครับในสมัยนั้นต้นสีมหาพ่อต้นใหญ่โตเหลือเกินร่มครึ้มใหญ่โตแล้วพระองค์ก็เข้าที่นั่งภาวนาได้กํายญ้าคาไปปูที่นั่งว่าปูที่นั่งด้านทิศตะวันออกที่กับทิศบุรพา เอากรรมยากของนายโสธีที่ให้ดูนะปูลแล้วก็นั่งคดสมารตรงนั้นเอาหลังทิ้งต้นโพอย่างญาติโยมทั้งหลายฝักันนั่งเนี่ยแต่ว่าญาติโยมไม่ได้นั่งต้นโพนะนั่งธรรมดาแล้วจรินสับปะงกมันไม่ได้อิง ก, <c oughs> <c oughs> ก็เลยสับปะงกสับปะงกผล <c oughs> สุดท้ายก็เลยกล่อมลงกลอมลงน้ําลายไหลเข้าน้ำลายไหลออกอย่างเงี้ย <c oughs> ไม่ได้ตั้งใจแต่ว่าพิทักษารักจากกุ ม, มารท่านได้อิงต้นโพ <c oughs> ในขณะที่พระองค์นั่ง ถึงต้นพยอย่างนี้ก็จะถึงธิฐานจิตก่อนข้าพเจ้าจะนั่งภาวนากําหนดลมหายใจเข้าออกนี้ให้ได้ใจของขา้าเข้าถึงสมาธิได้สําเร็จสมัมมาสัมโพธิญาณให้ได้ฉันบุ่งสมาสัมโพธิญาณถ้าว่ายังไม่สําเร็จแล้วจักไม่ลุกจากที่นั่งนี้เลือดนเนืน้อจะเหือดแห้งไปเหลือแต่กระดูกขอหุ่มกาย น, นี้ก็ช่างมันจักไม่ลุกจากที่นั่งนี้อันนี้อธิษฐานจิตได้กว่า จะตกงเข้ามาหาปัญหาเป็นการให้ฐานใหญ่ก็เลยเอาตายเป็นหลักเมื่อท่านอธิษฐานจิตอะเรื่องเข้าเทพนั่งขัศมาธิภาวนาเลยกำหนดลมหายใจเข้าออกคอกท่านว่าในขณะที่มองกระทาอย่างนี้พยามาลมาเล่นงานเหมือนกันตามพุทธวัตรเป็นอย่างนั้นแต่ว่าความจริงกับขันธ์ารรมของท่าน่พวกเราก็เจอขันธ์ารรมเหมือนกันเลยลองนั่งขัศมายงไม่ยอมลุกเลยมันเจ็บแข้งเจ็บขาเ่ยขันธ์ธรรมเล่นงาน อแปลงันว่าจิตพรทธาร่าเจ้ากรมานะต่อตู้ขันธรรมะพระองค์นะทําทใจเขามองให้เหมือนแผ่นดินกํ <c oughs> าหนดลมหายใจเข้าออกเข้าออกเขาไม่ไดไ้ได้ว่าพุดโธอย่างพวกเราเหมือนเพราะพระองค์เป็นผู้สร้างขึ้นกําหนดลมเข้ากรร็รู้ลมออกกรร็รู้ลมเข้ากรร็รู้ลมออกก็รู้ให้รู้อยู่กับลมอย่างนั้นนั่งอยู่อย่างนั้นไม่ยอมลุกไม่ยอมกระตุกกระดิกเลยเมื่อพระองค์ <c oughs> นั่งนานเข้านานเข้าใช้ความเพียายามมากเข้ามากเข้าไอ้ลมหายใจเข้าออกที่กําหนดนะข้างแรกมันก็ลมหยาบหายใจเขาก็หยาบออกก็หยาบนานเข้านานเข้าดีเนี่ยเมื่อนานลมก็ละเอียดหายเข้าหายเข้าหูสุดท้ายลมลมหายใจเข้าเราดับไปเลยพอลมหายใจเข้าเราดับพับใจก็วาลงสู่ความสงบเข้าเป็นสมาธิเลยใหญ่ของหัวเข้าถึงถึงสมาธิ พร อ, องคจริงรู้ตัวเองใช่นหมอ๋อนี่ตัวพุโทโธเนี่ยพระ อ, องค์เข้าถึงตัวพุโทโธเข้าถึงใจไม่ใช่อื่นกายตัวพุโทโธก็คือใจน่ะพระองคนะ์อองเข้าถึงใจจึงได้นามว่าสัมมาสัมพุท ธ, ธะคือพระ อ, องคนะ์นั่นเข้าถึงพุท ธ, ธะด้วยพระ อ, องค์เองไม่มีใครสั่งไม่มีใครสอนพิทัศนราชเจ้ากรมาน่ะเข้าถึงพุทธะด้วยพระองค์เองด้วยการกําหนดลมหายใจคอกด้วยนั่งภาวนาใจสงบลงสู่สมาธิ เมื่อใจสงบลงสึกสมาธิพวกมึงก็รู้จักใจขึ้นมาอ๋อนี่ใจของพวก น, น, นี้งั้นนี่แหละใจไม่ใช่คนอืพอรู้จักใจขึ้นมาก็รู้กันน่านำปัญหาที่พระ อ, องค์เจอมาที่ความแก่เจ็บตายมันอยู่ที่ไหนความไม่แก่เจ็บตายอยู่ที่ไหนท่านก็นได้ตอบปัญหาอ๋อของที่มันแก่เจ็บตายก็คือรูปร่างกายสังขารรูปของผู้ชายผู้หญิงทั้งหลายมันแก่เจ็บตายแต่ของที่ไม่แก่เจ็บไปก็คือใจคือตัวพุโทโธนี่เองตัวพุโทโธตัวภายในนี่แหละ โตเป็นเป็นของไม่แก่เจ็บตายจึงๆๆเรี๋ยวคุณโถรไปจักวาลธาตุรู้ของพระพุทธเจ้าเราจึงได้มาว่าพุทธเจ้าตั้งแต่นั้นมาครั้งแรกที่สิทธะกำมานนะเมื่อพระองใจของพระองค์สงบลงไปสมาธิแล้วเหมือใดเกิดผดขึ้นมาเรียกว่าสัมมาสัมพุทธะจึงเนี่ยพวกเราห่าเรียกว่าพุทธเจ้าพุทธเจ้าตั้งแต่นั้นมาที่ใจของพระองค์เป็นอย่างนั้นก็พระองค์ทําสมาธิด้วยการกําหนดลมหายใจเข้าออกจน ใจลงสู่สมาธิเมื่อใจลงสู่สมาธิแล้วผลมันเกิดถิ่นผลที่มันเกิดก็คือสิ้นสมาธิปัญญาเกิดขึ้นในจิตนั่นแหละไม่จะไปหาอื่นหรือในนาม ว, ว่าพระองค์ได้ศิ้นสมาธิปัญญาปรากฏใช่ไหมที่วัดตากเสโืออิสักีสลืออิอันนี้เป็นอุบายวิถีวิถีคือศิ้นสมาธิเป็นปัญญาเป็นวิปปฏิบัติธารมเป็นทางปฏิบัติเพื่อให้บรรลุอริสัตย์ รวมแล้วกับพระองค์เข้าถึงตัวพุทโธจึงเรียกว่าสัมมาสัมพุทธะของพุทธิยถแต่ที่พวกเราก็มีตัวพุทโธก็เหมือนกันเหมือนกันงผู้ชายก็มีตัวพุทโธผู้ผู้หญิงก็มีพุทโธพระองค์ไม่เอาเลยมีพุตัวพุทโธเท่านั้นเรียกว่าอนุพุทธะคือใจพูดถึงคืทุกคนมีใจไม่ใช่บมมีใจมีใจทุกคนนั่นแหละจึงว่าเข้าถึงพุทโธพุทธิยถาเป็นพุทโธก็เพราะพระองค์เข้าถึงตัวพุทโธครั้งแรกไม่ยังไม่เข้าถึง แต่ว่าพวกองภาวานาและใจสงบปุ๊บลงไปสมาธิเราเข้าถึงตงัมุโธคือเข้าถึงใจให้พวกเราก็เหมือนกันเราก็จะไม่ต้องเข้าถึงถึงใจเข้าถึงตัมปุโทโธด้วยการกําหนดทําสมาธิให้เข้าถึงอันนี้ว่าถึงการเข้าถึงของพระพุทธเจ้าก่อนนะเข้าถึงความเป็นพุทธะอันนี้หนาที่เราพุทธเจ้าทุกพระเจ้าตั้งแต่นั้นมาพุทธเจ้าพุทธเจ้านั้นเกิดขึ้นมาเกิดขึ้นมาเองไม่มีใครแต่งตั้ง เกิดขึ้นมาด้วยการปฏิบัติของพระ อ, องค์นั่นเกิดขึ้นมาด้วยการทําสมาธิใจสงบไปสมาธิแล้วมันก็เข้าถึงตฉมพุทโธเข้าถึงธาตุรู้เข้าถึงใจคราวนี้เมื่อเข้าถึงพุธโธแล้วเข้าถึงตฉพุทธโธแล้วแล้วก็ท่านก็รู้ว่าอันของแก่เจ็บตายก็คือร่างกายสังขารของขึ้นในแก่เจ็บตายก็คือใจคราวนี้ว่าถึงปัญหาที่พวกเราสงสัยกันทาไมอ่ะกระดูกของพระเดเจ้าจึงเป็นเป็นธาตุหาจึงเรียกว่าสรีรกะกับธาตุแล้วกระดูของครูบาอาจารย์ที่เป็น เป็นพระธาตุเราเป็นแก้วขึ้นมาหนึ่งยทามันยจะเป็นอย่างนั้นที่มันเป็นอย่างนั้นก็เพราะว่าอาศัยศินสมาธิปัญญาเป็นเครื่องฟอกฟอกใจซะก่อนปิฏฐาราชโกมาภานภาวนากำหนดลมหายใจก็เข้าถึงต่งพุทโธแล้วเมื่อเข้าถึงพุทโธแล้วก็นําไปฟอกกายเถิดกายนั้นก็จึงกายเป็นแก้วพระสินสมาธิปัญญาเป็นเป็นเครื่องฟอกมันยริงเป็นแก้วไปครูบาอาจารย์ทั้งหลายที่ท่านบัติบัติบดีบัติบดีบชอบอย่างหลวงปู่ขาวหลวงปู่มั่นแล้วโดดขึ้งก็เป็นแก้ว ที่เป็นแก้อย่างนั้นพระว่าทัาสร้างสินสมาธิปัญญาศินสมาธิปัญญานั้นไม่ใช่เรียนรู้ไม่ใช่ไปท่องจําศี ส, นสินห้ามีห้าข้อสินแปดมีแปดข้อสิลสิบมีสิบข้อสินสองร้อยเจ็ดสอง้อยิบเจ็ดนั่นคือสินเป็นข้อข้อเรียกว่าข้อบัญญาแต่ว่าศินที่มันเกิดจากกําลังสมาธินะ คืปกติใจปกติแล้ววายจาก็ปกติตายก็ปกติไปด้วยเป็นรวมว่าศิ้นสมาธิปัญญามันเกิดขึ้นในจิตนี้เลยไม่ไปท่องจำอนะไรแล้วแต่ว่าสมาธินันเกิดก่อนสมาธิหมายถึงว่าใจสงบพับลงไปแล้วใจก็ปกติตายก็ปกติแล้วปัญญาก็ปกติดีมันเกิดรู้เห็นตามความเป็นจริงขึ้นมาสิ้นสมาธิมันไปฟอกภาพหรือฟอกอาการสามสิบสองของแต่ละคนละคนหนึ่งให้ขาวสะอาดผ่องใสพระพุทธเจ้าพระองค์เนะี่ย ได้ศีลสมาธิปัญญาเป็นเครื่องฟอกของท่านจริงเป็นชาเรนกธาตุเราเรียกของวันนี้ว่าสเวนิกธาตุหรือพระบรมาธาตุแต่ของครูบาอาจารย์ทั้งหลายของพระหลานนั้นหรือดกว่าพระธาตุทำไมจึงเป็นพระธาตุที่มันเป็นพระธาตุก็เพราะอาศัยที่ท่านสร้างศีล ส, สมาธิปัญญาให้เกิดเต็มเช่นเดงยวกอันนี้ปารบเห็ุบางจนให้ฟังก่อนเลยการ น, นี้ต้องว่าถึงวิธีพวกเราก่อพวกเราก็จะเป็นต้องเป็นต่องฟอกกายวาจาและใจของเรา พ่อกายเข้าหลายให้เป็นพระธาตุอย่างพระพุทธเจ้าหรือพระอรหันต์ทั้งหลายน่ะที่ท่านทั้งหลายมารวมกันดังนี้ที่เอกมาเอาบุญครั้งแรกเรามาเอา่ะเรามาทําการบูชาบูชานันมีสองอย่างบูชาเรียกว่าอามิสสบูชาบูชาด้วยดอกไม้ทูบเทียนเครื่องสักการะไอ้ดังต่างๆที่นํามาพิญาติโยมทั้งหลายผักกันนํามานั่นเรียกว่าอามิสสะบูชาล้วก็นํามาบูชาสรีนิกธาตุมุ่งหมายเพื่อจะบูชาสรีนกธาตุอันที่สองเรียกว่าปฏิปฏิบูชาหรือปฏิบัติบูชา เรปฏิบัติบูชาการปฏิบัติบูชาเนี่เอาเริ่มต้นตั้งแต่อภิญญาณใหม่ที่ญาติยมทั้งหลายมาเห็นพระธาตุแล้วโคกเข่ขาขึ้นประนมมือขึ้นกราบไหวกราบสามครัง้งกราบครั้งที่หนึ่งกราบพระพุทธกราบครั้งที่สองกับพระธรรมครั้งที่สามก็กราบพระสงฆ์นั้นเป็นปฏิบัติบูชาแล้วคือเราถือจริยธรรมเป็นหลัลกเรากราบผู้ดีเรากราบผู้ที่มันไม่มีเกณฑ์เราศึกษ ส, สมาธิปัญญาเราพอกใจของท่านให้สะอาดพอกกายก็สะอาด จึงไม่มีเกตเป็นเส้นเจ้าเกือจันจา ง, งอยู่ในนั้นทีนี้ว่าถึงวิธีที่พวกเราจะปฏิบัติให้ถึงอย่างนั้นพวกเราก็ทําได้แต่ต้องทําให้ถูกวิธีวิธีที่จะเพื่อปฏิบัติพระพุทธเจ้าวางไว้ให้แล้ววางไว้ให้อย่างไงวางให้พวกเราให้ว่าโยโยยย่อๆแล้วก็ให้ปฏิบัติตามถึงสมาธิปัญญาอันนี้ว่าลวมๆมว่าอย่างแต่เอาเข้าใกล้ๆจริงๆหนึ่งเราต้องสร้างธรรมะก่อนไอ้ศีล น, นี่เป็นเแขนแม่บทเท่านั้นบางทีว่าต้องสมาทานศีลห้าสมาทานศีลแปดก็ว่ากันไป แล้วก็ทําตามระเบียบแบบแผนแต่สมมติว่าสมาทานิ้นห้แล้วสมาทานชิ้นแปดแล้วถ้าใจยังไม่สงบก็อยู่อย่างนั้นเมื่อใดก็ปาณาติปาตาว่าอย่างเกา่านั้น่ะใจมันยังไม่ถึงดังนั้นถ้าเราทําใจของพวกเราน่ะให้เข้าถึงธรรมะคือให้ใจเข้าถึงสมาธิเมื่อให้ใจของเราสงบลงสสละจะเป็นสมาธิแล้วเมื่อใดเส้นสมาธิปัญญาจะเกิดขึ้นเหมือนนั้นเส้นก็เป็นเจต Sciences นาวิบัตไม่จับเป็นสมาทนนะนานแล้วเห็นโทษเห็นคนนั้นไหมเพราะง้เห็นโทษจริงนะอย่างเราเห็นไฟ ถ่านไฟเราเป็นของร้อนจะให้เราจับถ่านไฟเราไม่จับหรอเรารู้โทษรู้คุนหมดแล้วว่าไฟนะถ้าจับต้องไม้มือไม่บ้านก็ได้ที่เป็นฝ่ายคนก็เอาไปหุงต้มแล้วไปใช้แสงสว่างได้เรารู้จักทั้งโทษทั้งคุนหมดแล้วใจทีเ่เรารู้ก็เหมือนกันก็ไปตามมันครานนี้ว่าถึงขั้นภาคปฏิบัติเพื่อจะให้เข้าถึงถึงพระเจ้าสอนวะ่าให้ปฏิบัติตามมักมีองค์ปอบ มักไปก็ย่อเข้าไปในสิ่งสมาธิปัญญาเนี่ยเอาว่าตามองค์ดีกว่าว่าตามองคมักเริ่มมักเบื้องต้นก่อนเริ่มมักบ้างห่อสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกบปปะอันนี้เป็นปัญญาสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกบปปะเนี่ยอันนี้นะที่ญาติโยมท่านหลายจะต้องฟังฟังเทศจากครูบาอาจารย์อ่านจากกำลับตำนานเนี่เพื่อให้เกิดสัมมาทิฏฐิเพื่อให้เกิดวิความเห็นถูกต้อง ว่าอาการที่เรามากาบไหว้สักการะบูชาพระธาตุพระเจดีย์นั้นเป็นบุญจริงๆเหรืออาการที่เรามาให้ทานรักษาศีลมานั่งถอนมาไม่เป็นบุญเป็นกุศลจริงๆหรือเราต้องเรียนให้รู้ซะก่อนให้เข้าใจซะก่อนเรียกว่าสัมมาทิฏฐิเราเห็นถูกต้องแล้วเราก็ลงมือปฏิบัติเนี่ยเป็นสัมมาทิฏฐิ <EN? S 2> เบืงแรกแต่ไม่ใช่สัมมาทิฏฐิในในองค์มัตถ์เพลงอนุโลมเข้าแล้วโรมมาเป็นสัมมาทิฏฐิเคยเห็นถูกต้องได้โดยอย่างว่าเห็นน่าทําบุญได้บุญทำบาปได้บาปทำชั่วได้ชั่วอย่างนี้ ก็เรียกว่าสัมมาทิฏฐิได้และก็เกิดจากสัมมาสังกบปะคือตั้เราได้ยินได้ฟังแล้วขความที่จะนาหาเหตุผลว่าสิ่งที่นั้นเป็นไปได้ไ้ยสิ่งที่เขาว่ามันเป็นไปได้ไหมเราไขความที่จะหาเหตุผลอย่างนี้เรียกว่าสัมมาสังกบะเป็นตัวปัญญาตัวปัญญานี้ต้องศึกษากันต้องเรียนรู้กันผู้ที่มีโอกาสมีเวลามากก็เรียนรู้ธรรมะได้มากส่วนญาติโยมทั้งหลายก็ฟังจากครูบาอาจารย์หรือฟังจากท่านผู้รู้ แล้วนําไปปฏิบัติก็ใช้ได้คือให้รู้พอเป็นแนวทางปฏิบัติก็ใช้ได้อ่าตอนนี้ไปมาถึงวิธีปฏิบัติคือวิธีปฏิบัตินั้นเราใช้องมัชสัทธอองมัชจะมีมีมีแปดนะว่าตามลำดับเชก่อนสัมมาคิดถิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจ่าสัมมากรรมันตะสัมมาชิระอันนี้เป็นสีบอยู่ตรงกลางอันสุดท้ายที่หนี่งสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธิ อันนี้นัตัวที่เราจะต้องปฏิบัติสมาใช้สมาวายามะแต่ว่าเพียรพยายามว่าถึงหลักขอ ง, ของท่านนะเพียระวังบาปไม่ให้เกิดเพียรละบาปที่เกิดขึ้นแล้วเพียรทงกุศลให้เกิดเพียรรักษากุศลที่เกิดแล้วไม่ให้เสียอันนี้หลักของท่านแต่ว่าถึงวิธีปฏิบัติให้เกิดอะไรี่ น, น สัมมาวายามะไปใช้สัมมาสตินะสัมมาสติแปลว่ารักษารักษาสติอาตัวอย่างที่ว่าเราบริกรรมในใจว่าพุทธโทธพุทโธนี่แหละคือตัวสติรักษาสติหรือกําหนวดลมหายใจเข่าพุทธโทธพุทโธก็เป็นการเป็นสัมมาสติคือรักษาสติให้อยู่หรือพูดอีกข้งเนึ่ยเรารักษาใจให้อยู่กับอันนั้น เรารักษาใจเขาเราให้มัอยู่กับผู้โทมุูโทมผู้โ ท, โทนั่นแหะรักษาสติคือเอาจิตเขาเราผูกไว้กับสิ่งเล่านั้นเรียกว่าสัมมาสติเมื่อเราฝึกสัมมาสติแล้วเพียงพอแล้วเต็มมือแล้วเหมือนเมื่อใดสัมมาสมาธิจะตกลงมือ น, นั้นคือใจเขาเราจะเป็นสมาธิเหมือนนั้นแล้วสัมาทิฏฐิจริงจะเกิดขึ้นเขาเอันนี้ว่าไปตามขั้นตอนคาราวนี้จะว่าถึงวิธีปฏิบัติถ้ามันถี่ยิบไปเลยญาติโยมทั้งหลายพากันกํำหนดตามคือเราจะภาวนาโดยใช้สัมมาสัมมาวายามะ ตั้งไว้ในสติปัฏฐานสี่สติปัฏฐานสีสนัคือกายเวทนาจิตธรรมเอาอาณาปาร์คือกำหนดลมหายใจเขาออกพุทโธดีกว่าน่าเป็นคู่กันอันดับแรกนั้นเราทําใจของเราเนี่ยให้มีอารมณ์เป็นหนึ่งเนี่ยการทําสมาธินี้การทําใจเพื่อให้เป็นสมามภพนั้นความมุงม่งหวงังครั้งแรกให้ทําใจเขาเราให้มีอารมณ์เป็นหนึงอย่างที่เรากำหนดลมลมหายใจเขาออกพุทโธลมหายใจเขาน่ะนั่นเรียกว่าอารมณ์ เราผูกใจเขาเราไว้ในลมหายใจเขาออกสับพุโทโธนั้นนั่นแหลกว่าอารมณ์อารมณ์อันเดียวไม่ใช่หลายอารมณ์ทําใจเขาเราไม่ให้ใ ห, ให้ให้มีอารมณ์เป็นหนึ่งคราวนี้ใช้วิธีการปฏิบัติพอเราเข้าที่นั่งดีแล้วอา่าวเวลาจะนั่งนะเอานั่งหรือว่ากําหนวดลมครั้งแรกก็สูบลมนิดยาวสูบก็ปล่อยพุดเอามันเต็มปอดเลยพุดแล้วก็ปล่อยมาโธสูบก็ไปพุดเอารายหลายครั้ง สูขเข้าสูบออกจนนั้นจนกว่าใจของเรามันอยู่กับลมนั้นนั้นได้ถือหลักว่าเราต้องทําใจให้มีอารมณ์เป็นหนึ่งคือให้มีอารมณ์ใ ห, มมณให้มีลมหายใจเ้ากับพุทโทธเท่านั้นไม่มีหลายอย่างเพยายามจะผูกใจของเราไว้อย่างนั้นถ้าเราผูกใจไว้นะเอาเวลานั่งอย่างน้อยสามสิบนาทีจิตก็จะเปลี่ยนสภาวะแล้วถ้าว่าทํำนิดนิด น, น้อยสิบสี่สิบ้านาทไม่ได้ผลหรอกอย่างน้อยต้องสามสิบนาทีเราควอมที่เรื่องดีๆ กำหนดลมหายใจพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธอย่นีสติปัฏฐานตัวที่หนึ่งคือกายยานุือเวนาคือลมหายใจเข้าออกกันแบบเรียกว่ากายยาเมื่อเรากําหนดลมหายใจเข้าเข้าแล้วสติปัฏฐานกายเวทนาจิตเมื่อเรากําหนดลมหายใจเข้าออกเข้าออกพุทโธเวทนาก็เกิดเลยสิบางคนกําหนดไปก็ร้องเก็บแข่งเจ็บขาปวดแข่งปวดขาเลยเกินเวทนาเกิดแล้ว หรือวังคนถ้ากาหนดดีๆรู้สึกว่าสบายยิ้มกันเดยกว่าเป็นสุขเวทนาแต่โดยมากมันเราทำํำใหม่ๆมันเป็นทุกเขมทนานั่ยแหละดังนั้นเมื่อรรเรากำหนดลมหายใจว่าพูดโทพูดโทรนี่อัตติธรรมที่นํามาสอนให้ท่านทั้งหลายต้องพากันปรับตัวในการเราเพื่อปฏิบั ต, ต, ติต่อไปก็ยห่งว่าต้าองปั่นในเวลาเอวังก็มีด้วยประการหลายกรณี